ได้เป็นหนึ่งในยี่สี่คนจากสระอันบอรฝนอากังตุวยญิงแค่เอ่ิมก็แค่ต้องฟ้ามาใค้ได้เป็นพื้นที่ให้ใหลายคนมาล่าฝันแหละมันคือโอกาส่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ต้องทําให้ได้ทรอฟี่มาสเตอร์เชฟดูบรืงใหญ่มากแล้วมันนานเหรอเนี่ยถ้าได้ที่หนึ่งมันก็เหมือนเราไปถึงโจซูงซู ข, ของวงการอาหารถ้าเราเข้ามาถึงรอบนี้แล้วผมจะต้องไตให้ถึงทอฟี่ให้ได้ค ไม่คือความคิดผมอะเออผมก็มันใจอะเขาให้ผมมาแบบติดอ่างพูดผมก็ไม่ใช่อะผมว่าคงนี้ฟูดมากอะ่ะคือแบบจริงๆอะ่ะเราไปแข่งกันท้างในดีกว่าไม่ต้องหัวละป้าเอันนี้เป็นกติกาใหม่ของซีซั่นสีเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าเราจะต้องมาแข่งผันกันเองเป็นกลุ่มด้วยความเร็วขนาดนี้